Survey น้องเรียนภัยสน้องไัยมันไม่จบเกษียณเป็นคดีดําคดีแดงในโรงในศาลมันจบเกษียณเป็นแต่กรรมและผลของกรรมจบเกษียณไม่เป็นเลยตามไปจนชาติเข้าสู่เขนิพพานใช่ไหมนั่นถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันเหตุที่เชื่อพระพุทธศาสนาแกลบจมอยู่นี้ก็เพราะว่ากรรมของและผลของกรรมมีอยู่ เช่ลวงปู่เป็นโรคหัวใจอย่างนี้ก็เคยได้ยิงนกเขาอายุ15ปีเอากล้องเป่าที่เขาเรียกว่าพนะุไปยิงยิงเข้าถูกเข้าที่ใต้โนโมของมันเนี่ยมันก็ตกลงมากกแจ๊กก็แจ๊กมาตกลงมาก็ถอดลูกพุออกถอาลูกของเป่าออกนั่นก็บอกว่าก็ก็ ก, ก, ก็มึงเถอะมึงเถอะมันจะว่า อ, อ, อ, อ, อ, อย่างนั้นแต่นั่นมา <laughs> ทําอยู่อายุ15ปีมันก็ตามมาถึง สองพันห้าร้อยสามสิบมันตามมาถึงนั่นผลของกรรมอะไรเงี้ยผลของกรรมที่ได้จุดป่าดักนกมันก็ตามมาถึงสองพันสี่ร้อยแปดสองพันสี่ร้อยแปดจหกมาสองพันสี่ร้อยแปหกมาอยู่หไฟไหม้กุฏิหมดีพ่ อ, อแม่เอ๋ยเสร็จเลยไม่จะผ้าคาตัวนอ่ะโทษจุดป่าแล้วนะ มันตามมาที่นี่โรคโลหิตเลือดมันตามมาทำแต่อายุยี่สิบมันก็ตามมาสองพันสี่รอยสองพันห้ารอยยี่สบสองมันตามมาเคยได้จับโคช่วยเขาให้เขาตอนจับแล้วก็ไปเย้ยมันเออมึงอยาขี้โหลขี้เหล่นักเขาจะทับลูกอันทะให้มึง ถ้าเขาไม่ทับลูกอันทะให้มึงมึงก็ไม่อ้วนเดี๋ยวนึงก็ไปชนคนนั่น ช, ชนตัวนั่นตัวนี้แล้วมึงก็ผอมขายราคามาได้สูงอันนี้เขาแปลงลูกโสมให้มึงดอกออมึงอย่าขี้โหล่ขี้เหล่นะัก่าให้มันหัวะละมันทําเป็นของสนุกพอสองพันห้าร้อยยี่สิบสองมันก็มาแปลงลูกแปลงโสมให้เราซะนั้น นั่นผลของกรรมมันมีอย่างนั่นที่นี่โรคถุงน้าดีเป็นนิ้วทีเนี่โรคถุงน้าดีเป็นนิ้วอายุสิบห้าปีเราก็ไปดักปลาใส่เบ็ดปลาไหลมากินปลาไหลมากินแล้วก็แหวกท้องมันแหวกท้องมันเพราะมันคืนลงในท้องมันก็ตายคาเบ็บปลาไหลกินเว็ดต้องลงคืนลงท้อง พอไปตรวจโลกสองพันห้าร้อยสามสิบมันก็ตามมาถึงแต่นี่ต้องไปตรวจโลกไปตรวจรดเขาก็เอาสายยางยัดตรงนี้ก็เหมือนกับปลาไหลกินเนี็ยลงมานี่ลงมานี่ลงมานี่ลงมานี่ลงมานี่ล้วเดี๋ยไปออกจอเข า, เาไปออกที่จอ เ, าเอาอ๋อเขาเห็นสามสี่ห้าเมตร เขาก็ถอดออกเขาก็อยู่อย่างนี้แล้วห้ามแล้วห้ามให้เขาวางยาสลบเก่งว่าเขาจะรักพาเราเก่งเราจะนอนค้างนนอนคืนในโรงพยาบาลแล้วก็บอกว่าสัญญาไม่ให้วางยาสลบถ้าม่ยงางนันสลบก็เอากันสดชดสิผู้ใหญ่เออชดชดก็เออชดชดไปน่ะเขาก็ยัดลงนี่เลยยัดลงนี่เขาอยาถ่าบ้างเลยยัดลงนี่ยัดลงนี่ เ, เ, าาาเลยเ้าก็บอกว่าเออตั้งแต่ ตั้งโรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่นมาไม่ได้วางยาสรบเลยก็มีข่าวนี้เราไม่ให้เขาวางยาสรบกเงขงว่าเขาจะรักษาเราเราไม่ไว้ใจเขาเรื่องนี้มันยังอยู่มากมเรื่องนี้เวรอันนี้ตามาเรามีหลายอย่างเลยอายุห้าปีเราเอาเบ็ด ทิ่งออกไปนอกชาเรือนึ่งไก่ของเรามากินไก่ตัวผู้มากินมากินเบ็ดตัวนั้นอายุห้าปีพอมันกินแล้วมันก็มาเกาะคอเองมาเนี่ยก็ก็ก็ก็ก็เออมารดาเห็นก็บอกว่าเออเขาก็ไปได้ไปนานหมดแล้วลูกเอ๋ยจะทํายังไงมารดาก็มาเฉือนเชื่อกให้ขาดแล้วมันคมเชื่อมด้วยไม่รู้ว่ากี่เดือนมันจึงตายเราก็ไม่รู้จักพ่อเป็นไก่ของเราทีนี้ อยู่มาอยู่มาอยู่กับหลวงปู่มั่นสี่พันสาเห็นเบ็ดที่นี่ฉันข้าวลงไปฉันอาหารลงไปฉันสารลงไปที่ก้นคาจะซ้ำในเองเอาขึ้นมาเอออะไรดําๆแล้วก็ดึงดูเบ็ดเบอร์สิบหกเบอร์สิหกโล่งโค้งเลยถ้าเราได้กืนลงมือะแ็ตเลยแล้วก็นึกเห็นไก่ตัวนั่นแต่เราไม่พูด นึกแขงไก่ะน่ะเออมนไก่ตันออวนี้มาหากูแล้วอะไรอย่างนั้นบนดาล น, นึกเองเมนไก่ตัวที่เราดักบิดนะ่ะ <c oughs> ออกจากนั่นมาก็ออกกากนงปู่มั่นมาลงไปปักใต้ไม่เห็นมาอยู่นี่สองพันห้าร้อยที่นี่มาเห็นมาเห็นไม่กัดไม่กัดตัดหอ่อ กัดห่ออาหารเขาสิ้นในบาทแล้วก็ททำท่าขู่เขาไงเออพระเนนจำพวกนี้เราปล่อยให้แบ่งอาหารให้เดี๋ยวหาโอบายจะเบื่อเรานะเอาไม่ไผ่มาพูดไอ้แค่เรารู้สึกไก่ตัวนั้นทำ ủ, ทำ่าคู่เขาต้องก้าคู่พระเราอมาไม่พอผิวของมันผิวของมันเทียบกัดมกัดห่อแค่นี้ล่ะ เลือบได้เอาลงถึงเจ็ดข้างแปดข้างมาอยู่นี่ของคนอื่นไม่มีเป็นเก้าข้างเป็นสิบข้างหมดทั้งั้างมดรวมทั้งสมัยอยู่กับหวงปู่มันเป็นสิบข้างข้างเที9บเก้านะก็มีตะแคงเหล็กทีนี่ขาดอยู่กับข้าวคงจะมาจากพวกลงสีนี่เขี่ยวแล้วมาติดนี่ เอาออกมาคานแข่งไงถ้าได้เกินมันก็เสร็จเหมือนกันนั่นเนื้อแข็งไก่ตัวนั่นอีกข้างที่เสีบนี่ก็มีตะแกรงเหล็กอีกอยู่ขนมปอนที่มาจากเก็ดอยู่ขนมปอนมาจากเก็ดนั่นผลของกรรมอันนี้มันตามสนองแต่ทุกวันนี้ก็ระวังเห็นถึงเสียบขั้งแล้วเราจึงเชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างสนิทเลย ส่วนสิ่งที่ทําดีเราก็เชื่อใช่ไห เ, เคยสิ่งที่ทําดีเราก็เชื่อทำํทำทํำขนทางทงกลมของหลวงปู่มัน่นมูท่านเอาจอบเอาเสียมแล้วเอาไม้กวาดเราเอามือเอามือกวาดแล้วถอยหลังมองทีศอย่างนี้มันต่ําแล้วก็เอากํกากําดินหวานใส่กาดินหวานฝอยแล้วก็ไม้กระตกกระตกตีเรียบอืม เนี่ยทางโกงของเราดูรู้นะอา น, นิสงส์แต่ว่าอา น, นิสงส์ของท่านผู้อื่นไม่มีหรือไม่มีอยู่แต่ของเรามีที่บวกด้วยเพราะฉะนั้นอา น, นิสงส์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไ ม, ม่มีอยู่หรือมีอยู่อานิสงส์ของครูบาอาการและหมู่เพื่ อ, อนและญาติโยมไม่มีหรือมีแต่ของเราหรือมีอยู่แต่เรามีที่บวกเพราะางนั้นเนาะเฮ้ยในส่วนดีแล้วก็เห็นอีกนกปูมันป่วยเรารักษาอยู่ สามปีไปปีที่แรกท่านไม่ป่วยปีที่สามที่สี่ปีที่สองที่สามที่สี่นี่ท่านปว่ปวยเวลาเรารอาสากอบอุจจาะท่านในเวลาที่มันปวดผิดปกติท่านถ่ายลงมาในหลุมข้างล่างเลี่ยก็ไปกอบออกกอบออกแล้วก็ฟ้าปิดไว้กอบออกก อ, ดดกอบออกก อ, ออ ก, กอบใส่หอกใส่พวกกีชอ่องจอกช่องลงมาเนี่ยทาหลุมข้างล่าง ลวดดีๆลวดโดยปูนลลอฝาปิดเลยเวลานั่นก็ไปเปิดไร้เปิดไ่้ท่านก็ถ่ายลงมาท่านไม่ยอมถ่ายท่านไม่ยอมถ่ายซ่วมถ่ายห้องถ่ายที่เราทุกวันนี้ถ่ายแล้วก็ถ่ายแล้วก็ขี่กับเยี่ยวลงปันปนกันและเอาหน้าไปเทเหมือนป่นนี่ข้าพระเจ้าไม่เอา <c oughs> คนโบราณ เ, เอาหน้าไปเทใส่เหมือนป่นนี่เราไม่เอา คนโบราณท่านไม่เอาท่านถ่ายลงเวลาท่านป่วยมาแต่ว่าเมื่อเวลาท่านไม่ทานพอไปได้ก็มีห้องถ่ายต่างหากท่านถ่ายปล่อยไม่ใช่เหมือนเราทุกวันนี้แล้วก็กอบอากรอบอาจโจงของท่านอยู่สามปีอันนี้สงส็นปัจจุบัน นี่ห้องถ่ายหนึ่งสองกับตัวทดสามกับจัวทดสกทดีกับตัวทดห้ากับตัวทดอยู่ข้างล่างนี่อันหนึ่งนี่ก็อันนี้สองอันนี้ลอันนี้อันนี้สองของ พ, พระพุทธธรรมผส์ของหมู่เพื่อนครูบาอาการยแลญาติโดมก็มีอยู่แต่ว่าเรามีที่บวกก็อย่างนั้นหอกนี่ก็เก้าอี้ดิ้งแหวนกันแล้วะหาอุบายทําให้องค์หลวงปู่โกนผม ไปขอตั้งสองครั้งจึงให้ขออนุญาตะมือเพื่อนก็ทําช่วยอยู่แต่เราเป็นเป็นต้นมือครูบาอาจารย์ก็ขออนุญาตกับครูบาอาจารย์ผู้สูงกว่าเราเสียก่อนเดี๋ยวจะว่าข้ามหัวท่านขออนุญาตเราขอให้ครูบาอาจารย์ไปขอโอกาสช่วยกับผมแต่ขอโอกาสแล้วก็บอกหนึท่านก็พาไปขอโอกาสถ้าเราจะไปขอโอกาสเลยมันจะข้ามผู้ใหญ่เดี๋ยวมันจะถือว่าหัวดดีข้ามหัวข้ามหาผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ไม่ทํา ก <S an> ็าอี้มันก็ไม่ทับถ้าผมไม่ทํามันก็ต้องทับผมเลยนะเพราะผมเคยอยู่คาราวาสครูบาอาจารย์ไม่เคยอยู่ทางคาราวาสเพราะไม่เคยทําก็ผมเคยอยู่ทางคาราวาสแล้วได้มาบวชก็ครูบาอาจารย์บวชแต่เล็กเราก็บอกไปอย่างนั้นที่ท่านก็พอใจใช่ไหมถ้าไม่พูดอย่างนั้นมันกระทบ ก, กระเทอือนท่านห า, หาว่าบวดดีข้ามหาวาามวอข้าหมาล้วก็รอบครอบเชื่อ ก, ก่อนก่อนที่เราจะทํา ท่านก็พาทําด้วยทําอยู่หกเจ็ดวันเสร็จนั่นดูมาสินั่นนั่นนั่น น, นันน่นนดูมาสิท่านอาจารย์มาหาบัวมาเห็นมาเนี่ยเราก็เกงว่าท่านจะดุเราว่าเออผู้แทนเขามาปรึกษากันอยู่ที่นี่หรือทําไมไมีมากแค่มากแค่เกงท่านจะพูดอย่างนั้นรักษาบัตีมาไปชุมกันอยู่ที่นี่หรือเกงว่าท่านจะขู่อย่างนั้น แล้วก็บอกว่าคงจะเป็นอานิส่เที่ก้าวกับผมกับท่านอาจารย์ทา ม, มาให้องค์หลวงปู่กำังเก็เลยไปทางอื่นใช่ไหมพูดไปทางอื่นอีกเลยไมด่ดุมาเห็นสล า, าก็มองนั้นมองนี่ดูสล า, าคงจะมีพวกไปฟ้องมาทำสายายาลายใหญ่ตโตเออไม่ใหญ่โตเท่าไหร่หรอก <laughs> เมื่อท่านเอ่ย อ, ออกมาอย่างนั้นแล้วเราก็ทราบว่ามีผู้ไปฟ้องว่าทาซาลาใหญ่ตันเอง <c oughs> กรรมอันไหนที่ทาดีก็เห็นในชาตินี้กรรมอไหนที่ทำชั่วก็เห็นในชาตินี้อี่อยแม่เอ่ยจะไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมยังไงถ้าเชื่อกรรมและผลของกรรมก็คือเชื่อพระพุทธธรรมประสงค์นั่นเองนั่นนั่ไปเอาหนังสือที <c oughs> กรรมใดใครก่อ ก็เรานั่นเองก่อขึ้นดีหรือชั่วก็ดีใจเป็นผู้ทาขึ้นทําดีแล้วก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจทําชั่วแล้วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจนไม่ได้ไปบวกที่อื่นไม่ได้ไปบวกดินฟ้าอากาศทําดีก็ทําให้ใจทําชั่วก็จะให้ทำทำให้ใ จ, ใ จ, ใใใจเพราะใจเป็นผู้วางแผนทำตาหูจมูกเลี้ยงกายเขาไม่ได้แยกเอานั้นคนเรามีอิสระทุกท่าน แมลงผู้มีอิสระทางกินเกสรบอกว่าแมลงมันมีอิสระทางกินูดพูดเรามีอิสระจะทําดีหรือทําชั่วมันก็ขึ้นอยู่กับเราีน้คนเราใจถึงทุกคนเราจะใจถึงทางทําดีหรือทําชั่วก็ต้องถามเราตอบเราออกเราจะมีอิสระทําดีหรือทําชั่วก็ถามเราตอบเราออกถ้าทําดีทําให้ใครถ้าทําชั่วหันทําให้ใครถ้าทําแล้วความดีผลของความมีความชั่วจะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องตอบเราเอา ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ชัดปะเตรูปะเทสวาสะอยู่ในประเทศอันสมควรประเทศอันสมควรคือประเทศไทยที่ถือศาสนาพุทธประเทศที่สมควรคือประเทศใจที่มีพระพุทธศาสนาประเทศในทางควรมัตประเทศในทางวัตรคือประเทศไทยชื่ประเทศที่ถือศาสนาพุทธ ประเทศในธรรมปรมัตตคือประเทศใจของเราที่ถือศาสตรนัพุทธประเทศอันสมควรอะ่างเงี้แต่ละคนละคนทำดีแล้วก็ไปบวกใจทำชั่วแล้วก็ไปบวกใจทำดีก็ทำดีฉลองใจทำชั่วก็ทำชั่วฉลองใจ มันไปฉลองอยู่ที่ใจลินฟ้าอากาศไม่ได้มาแย่งเอาด้วยบ้านก็ไม่ได้แยง่งเอาวัดก็ไม่ได้แย่งเอาก็ใจเท่านั้นเป็นผู้ได้เอาก็ใจเท่านั้นเป็นผู้ได้รู้ทำดีทำอยู่ที่เมืองไหนก็ทำอยู่ที่เมืองใจทำชั่วทำอยู่ที่เมืองไหนก็ทำอยู่ที่เมืองใจ ใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาย่อได้รับผลตามส่วนคนค่าของเหตุที่ทำน้อยแล้วมากพระโสดาบันใจถึงทางละกิเลสเป็นเอกเทศ พระสักาคาามีอนาคามี็เหมือนกันพระอาหารหันต์ใจถึงทางพ้นจากเกีรตโดยสิ้นเชิงพวกทานี้ก็มีอภิเนหารทางดีพวกทาชั่วก็มีอภิเนหารทางชั่วตมมุนาวัตติโลกู ชัดโลกเป็นไปตามกรรมผลของกรรมเป็นสารไต่สวนเป็นสารตัดสินเป็นสารอายการเป็นเบิกพยานอยู่ในตัวแล้วครบหมด ความมีความงามไม่ใช่พระพุทธ เ, เจ้านอกจากตัวเราสร้างขึ้นพระพุทธ เ, เจ้าจิตพระพุทธ เ, เจ้าใจาแต่ละท่านแต่ละคนสร้างขึ้นพระพุทธศาสนาก็เป็นเพียงขี่บอกเท่านั้นจะทําแทนไม่ได้ง่วงนอนก็นอนเองหิวน้ําก็ดื่มเองหิวอาหารก็ทานเองพระพุมธศาสนาเป็นเพียงขี่บอกเท่านั้นจะทําแทนไม่ได้ เรามีอิสระจะทำดีเรามีอิสระจะพยายามละชั่วก็เพราะทำให้เราไม่ได้ทำให้คนอื่นด้วยเดชพระพุทธศาสนาะอันทรงพระคุณข้ามามีประมาณนี่ก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับท่านผูรูและไม่รู้ เมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกทว น, น้าที่มาในที่นี้ก็ดีที่ไม่ได้มาในที่นี้ก็ดีเพราะทางใจโลกธาตุจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบรวรพุทธศ า, าสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบทุกทว น, น้าอยู่โดยทุกเมื่ อ, อ, อเธอเสียดายล่วงละเมิดชิ้นห้าอย่าเสียดายถือศาส ต, ตราอื่นเสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพัน อยาเสียดายอยากกระถือเลิกบียามดีสิ่งไหนไม่เสียดายร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจอย่าเสียดายร่วงละเมิดอบายยมุสสิ่งไหนที่ไม่เสียดายร่วงละเมิดสิ่งนั้นมันก็ไม่หนักใจนั่นคือภูมิพระโสดาบันภูมิพระโสดาบันไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดอบายยมุสไม่เสียดายอยากกระ่วงละเมิดชินหะไม่เสียดายอยากจะถือศาสตราอื่นไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงประพันธ์ ไม่ใช่ลาอยากจะถือกเลิกดียามดีนั่นภูมิพระสวัสดบิบาลเป็นภูมิเบื้องต้นของพระพุทธศาสานานถ้ายังไม่ถึงพระสวสดิวันยังไม่เป็นภูมิเบื้องต้นของพระพุทธศาสาน า, นานยังเป็นโลกีอยู่นะไม่ใช่โลกุตระโลกุตระนับแต่พระสวสดิวันเป็นต้นไปคือมีสินห้าบริบูรณ์ถือต่ศาสนาคมบริบูรณ์ไม่ใช่ลาอยากกถือศาสานานอื่น ถ้าถึงพระสวัดิวันแล้วพระสกทาขามีนาขามีพระรหันมันก็เปิดประตูไปในตัวคือประตูใจประตูสติประตูปัญญาอาะไรนะที่นี่นะรล้วกังที่นี่เอเอไปแล้วจุกจกพุทโธชะโมชะโคพุทโธชะโมสังโคพุทโธชะโมสังโ ค, ทโทโงโคเออ ท่านนี้ผ่านชนะความยินดีทัง้งปุกยินดีในวัาจัสงสารเท่ากับว่ายินดีในลุ่มฐานเพลิงภูมิของพระโสดาบันเบื้องต้นไม่เสียดายอยากวงละเมิดศินหะไม่เสียดายอยากจะถือศาสดาอื่นไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกพันไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดี ไม่เสียดายอยากจะร่วงอบายยมุตไม่เสียดายอยากจะค้าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นในเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าเพื่อเป็นอาหารค่าขายนำ้ำเมาค่าขายยาพิษการค่าขายห้าอย่างนี้พระโสดาบันไม่เสียดายอยากจะประกอบเลยเมื่อถึงพระโสดาบันแล้วต่อแต่นั้นก็จะถึงสักาขาคามี ต่อแต่นั่นก็จะถึงนาคามีต่อแต่นั่นก็จะถึงพาาระหันพระมันไปแถวเดียวกันพรหมจันท ร, ร์เบื้องต้นของพุทธศาสนาซึ่งเป็นโลกุตระก็หมายเอาแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปพระโสดาบันมีทั้งคาราวามีทั้งบรรพชิตในข้างพุทธการไม่จําเป็นจะมาบวชทุกๆ ท, ท่านอยู่คลองคาราวาก็ได้กันอยู่ ยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงยินดีในโลกทั้งปวงและล้านขณะจิตก็ไม่เท่ายินดีในธรรมะของพระพุทธศาสนาขณะจิตเดียวถูกไห ม, มยินดีในโลกทั้งปวงกับภูณิเรตก็มีความหมายอันเดียวกันยินดีในธรรมะของพระพุทธศาสนา บันเทากิเลสและห้ามบเบกก็มีความหมายอันเดียวกันห้ามบเบรกในทางกิเลสพระสวสดาวันท้นกิเลสเป็นเอกเทศสักยะทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตนถือตัวไม่ยอมถือพุทธศาสนาไม่มีในพระสวสดาวัน พระโสดาบันยอมถือพระพุทธศาสนาอยู่ที่ดวงใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยอมเป็นข้าเป็นท่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่ถือว่าลัทธิอื่นศาสนาอื่นจะเหนือไปจากพระพุทธศาสนาเลยนั่นเป็นความเห็นของพระโสดาบันยอมตายต่อพระพุทธศาสนา เลือดทุกดจมูชาพระพุทธศาสนาหมดอันนั้นเรียกว่าถึงพิกถึงขิงแล้วยอมตายไม่เสียดายแกจีวาเพื่อรักษาอิสระขณะไทยสมานสามัคคีให้ดีอยู่จะสู้ศึกศัตรูกิเลสทั้งหลายได้ควรคิดจำนงจงใจ เป็นไทยจงยินดีในพุทธศาสนาอยู่ทุกเมื่อเทินกรรมผลของกรรมที่ทำดีและไม่ดีมันไม่จบกระเสียงเลยคดีดำคดีแดงในโรงในศาลของชาวโลกมันจบกระเสียนเป็น แต่กรรมและผลของกรรมศีสัตว์ทำดีได้ชั่วมันก็ตามไปจนถึงชาติเข้าสู่พระนิพพานมันไม่จบเสียณเลยเหตุนั้นจึงพยายามละกรรมชั่วทำกรรมดีมีกุศลกรรมเป็นต้นมีทานะไมศีลไมภาวนามัยทานะไมยบรญเฉลี่ด้วยการบริจาคทานศีลไม่บุญเฉลี่ยด้วยการรักษาศีล ภาวนาไม่บุญสาเร็จด้วยการเจริญภาวนาสิเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญเรียกบุญกิริยาวัตถุโดยยอมีสามอย่างโดยพิจารณามีสิบอย่างหนงทานธรรมัยบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานสองศีลธรรมัยบุญสำเร็จด้วยการนักษาศีสิ่งสามภาวนาไม่บุญสาเร็จด้วยการเจริญภาวนาสีอัปจายะธนรมัยบุญสำเร็จด้วยการเคารพนอบ น, บนบต่อพระพุทธศาสนา ห้าเ ว, ยาวียวัจนายบุบสมเร็จด้วยการช่วยคนขวยในจิตทุระที่ชอบพัปฏิทานอเมยบุบสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญทําบุญแล้วอุทิศบุญให้ท่านผู้อื่นเรียกว่าปฏิทานอเมยธรรมะจวนอเมยุบสําเร็จด้วยการฟังทำธรมธรมะเทสนามายัยยุบสมเด็จด้วยการแสดงธรรมพิทุชุกรรมการทําความเห็นให้ตรง เห็นว่าบาปมีบุญมีผลมีพานมีคุณพ่อคุณแม่มีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายมีคุณท่านทุกมีคุณมีถ้าเธออย่างนี้เขาเรียกว่าทิฏฐุชุ ก, กรรมเป็นบุญกองหนึ่งความเห็นตรงคนเราใจถึงทุกคนใจถึงทางดีก็ได้รับผลดีตามส่วนควรค่าของเหตุที่ทำขึ้นน้อยและมาก ใจถึงทางชั่วก็ได้รับผลชั่วตามส่วนควรค่าของเหตุที่ทำน้อยแล้วมาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นปัญหาจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหาเราเดินไปในที่มีเงาแดกที่มีแดดเราจะเข้าใจว่าเงาตามตัวหรือไม่ก็ตามแต่เงาก็ต้องตามตัวไปเหมือนกันเงาบุญเงาบาปยิ่งละเอียดไปกว่านั้น แล้วลึกได้มันลึกได้ก็ดีขอถึงซึ่งพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกงานมนมีประมาณเพื่อพ่นทุกในวัฏฏะสงสารโดยด่วนในปัจจุบันชาตินี้เถิดนี่มันอยู่ในนี้แล้นีืยมีวัดอยู่ในนี้แล้วลึกได้มันลึกได้ก็ดีขอเป็นข้าเป็นทาสพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกงานม่นมีประมาณ เมื่อพ้นทุกข์ในวัฏฏะสองสามโดยด่วนเนี่ยปัจจุบันชาตินี้เถิดนะปัจจุบันนิตปัจจุบันธรรมอันใดที่รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงหลุดพ้นตามเป็นจริงถ้าพระเจ้าจงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงหุดพ้นตามเนจริงโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเถิดให้พ้นทุกข์ในวัฏฏะสองสามโดยด่วนเนาะอย่าว่าเกิดแก่แก้ตายอีกอืมอือ 嗯嗯嗯เหมื่อแล้วอืมผู้ผู้ยินดีในพระนิพพานเป็นผู้ที่สร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วอืมไม่จริงอือไม่จริงอือ ทำดีแล้วก็ไปบวกใจทำชั่วแล้วก็ไปบวกใจทำดีก็คือทำดีฉลองใจทำดีก็คือต่ออายุของบุญอยู่ที่ใจทำชั่วก็คือต่ออายุของบาปอยู่ที่ใจทำดีทำชั่วก็ต้องไปฉลองใจไม่ไปฉลองดีฟ้าอากาศภายนอกทำบุญบ้านบ้านก็ไม่เอาก็ใจเป็นผู้เอา ทำบุญฉลองสะพานสะพานก็ไม่เอาฉลองวัดวัดก็ไม่เอาคือมโนวัดเป็นผู้เอาอทํำดีก็ทําให้ใจทําชั่วก็ทําให้ใจทําบุญก็ต่ออายุของบุญอยู่ที่ใจทําบาปก็ต่ออายุของบาปอยู่ที่ใจไม่ได้ไปต่อที่อื่นใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหา ใจเมยคุณเป็นมหันม่โทษเป็นอนันต์ถ้าทำถูกก็มีคุณเป็นมหันถ้าทำผิดก็มีโทษเป็นอนันต์ใจได้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาใจนั้นแลนาเป็นของเทมีคุณค่า จะเจริญไปข้างหน้าเหมือนดังพระจันทร์ในวันเพ็ญแต่ไม่กลับมาแรมอีก เออดีดีได้แล้วก็เดือนที่แล้วเนี่ยดนเอนล้่นก็เลยาได้อ่รฉะนั้นยนี่หลแล้วให้บอาจารย์นะรขอับหน่อยเาไมด้มาขัดขวเนะดีเพราะทำไมจึงไม่อยากเกิดเพราะบาลเม่แก้กล้ามาแล้วเพราะจะ ก็มมารขันธมานมานคือปันจะขันธ์กิเลสมานคือมารคือกิเลสอภิสังขารมารมารคืออภิสังขารเทวบุตรมานคือมานเทวบุตรมรณามานมารคือความตายเช่นอาราลาบาวุติการาบทรามาบุตรมานมามรณามานมาก่อน ถ้ามานันมนันมาไม่มาก่อนพระบระมศาสด า, าก็บอกว่าเสียดายหนอถ้าอะไรมาเทศท่านพวกนี้แล้วก็จะถึงพระโสดาบันแต่ท่านพวกนี้เส้นลมพานไปซะอานิสง์ของท่านพวกนี้ได้อานิสงถึงแปดหมื่นสีพันกับแต่เป็นทางโลกียอยู่อานิสงพวกอาจาระ์ด า, าุธกาดาบทรามาบุญกิเลสมานมานคือกิเลสคือราคะโทสะโมหะมาน อื้ใครี่ช้นิแล mm. mm. right. mm. mm. mm. ้วก yeah. mm. ็งนดับได้ค่ะอื่อนอืมก็จอ่อืมนไมว่าับได้ดีวหยอืมั้เดี๋ยวับไปหาได้มวางทอนก่เวลาก้ะ็ดับอื เหเสยนะมันทุกข์มากเสีก็ค่ะมันก็น้องก็มาใส่ชุดของขังแฉกเนี่ยเอาก็เสี่ยงแล้วเสี่ยงยังเสียงเหมือนโควิมากจะตายเลยนะแล้วก็น้องเข้ามาใส่แบเออไม่เคยทำทาเลยะอืที่หนว่าหนูเไหน่ี่นก้องมาไดู้ว่าพยายาม ไมูอกอืมอืมนีเรามกาอานนนพระว่าเรู้เหมือนกันว่าเราอยไปมติดทแไม่หนคาาสนาแต่รูไม่ติดะจะงรูปมตั้งใจอนี้นะถูกะถูกถูกพราะทำชั้นสูงเพราะทำชั้นสูง ไม่ได้ทำเพื่อจะติดอยู่ในโรกใดๆทั้งสิ้น เห็นอนิจจังก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยอนิจจังเห็นทุกข์ขนาเช่นหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งเพราะโลกเต็มไปด้วยกองทุกข์เห็นสิ่งที่ไมาใช่ตัวตนเราเขามีแต่ดินน้ำไฟลมมีแต่กองทุกข์ก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วถูกลูกถ้าไปที่จันทนามันก็จะไปที่ทุกข์จันทนาแล้วกลับมาเปนยังไม่ทาบไปหมดเมื่อตัวนะบางคนบอกไม่เห้ไม่ให้เข้าไปบเอ๊ ถ้า็นเขาม่เขาตายไม่ใช่เราก็ต้งจายก็คิดอย่างนี้นะแล้วกลับมาใคยังไม่สบายอะไรอย่างเงี้ไม่ได้กลับมาแล้วหเป็นปวดเมื่อยตัวเป็นที่ารดูนะดูปวดด้วยยันชอบน้วยแล้วกลับมาเป็นปวเมื่อยตัวลงขอวเนี่ยปีนี้เราตัวไม่ดีเนี่ยไปทําไปไม่ไปงานปวดอะไรนะฮะเจนน้องเอน้ว่าหก็ไม่ถือหนูรู้ว่าหนูใจดีทำแล้วนู้น ดวงดีไม่ดีเราก็ไม่ถือละเวลาไหนเราทำดีอันนั้นดวงดีเวลาไหนเวลาไหนเราทำชั่วอันนั้นดวงชั่วเราเนึกออย่างนั้นซะเราทำดีอยู่ดวงดีมันจะไปไห น, นก็อยู่กับที่ใจเราพูดที่ทำชั่วจะปรารถนาหาดวงดีมันก็ไม่เจอพูดทำดีก็ดวงดีอยู่ที่ใจ แล้วปู่ก็เป็นโรคหัวใจเหมือนกันเพราะสังขารมันไม่เที่ยงมันก็เป็นไปตามเรื่องมันเราก็รู้ตามจริงมันจ้าแล้วก็ามอย่างไม่ก่อนก็เป็นลมแล้วหัวใจก็เป็นนื่องใเหนื่อยมากโรคหัวใจเนื่อยมากว้วว้าวาวาว วาววาให้พร น, นะที่นี่นะยะถาวาดิวะฮาปุราปะิรปุเรนเิสากะลังเนวเมวะวิโตตินังเปตานังุปกปติวิติตังวิติตังตุมห่างเขปเมวะสมิจจตุตะเพปุเรนโตสังปจันโทปรารโยะถา มณิโชติระโสยธ า, าสพิโย ย, ยาวะชนะสปะโสโคโคสภโยโ ส, ยสโคล โ, โควินัสตุมาได้ภาวะตวันตรายโยสขีติการโยโคภวะอภิวาเทนาสีพิสานิจังพุทธาปจายโนจตารุธรมาวัจันติอายวโนโสุขังผังด้วยเดชพระพุทธศาสนาอันทรงพระคนข้ามามีประมาณและก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อและไม่เชื่อว่าเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกท่านหน้า จงประสบแต่ความส th ุขความเจริญย so ิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงแต่จนถึงที่สุดทุกโดยชอบทุกท่อนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเธออืมอืมต้องเขียนไว้ะอือืประจกประจบมาเดินทางต่อไป อางเดินทางต่อไปอครับดีใจได้ทร่วมมนิ้หครับนึ่งสองสามสีห้าเขก็ไปเก้าศูนย์เขาขานับหนึ่งคืออะไรหนึ่งคือใจสองคือกายครับใจสามคือกายวายายใจสี่คือธาตุสี่ห้าคือขันห้า หกคือตาหูจมูกดิ้นกายใจเจ็ดคือสัตว่าเจ็ดแปดคืออัตทังขิกาหมักขาแปดหรือโลกธรรมแปดเก้าคือมักสีพันสีนิพานหนึ่งหรือหรือนวะโกุตะละธรรมเก้าก็มักสี่พันสีนิพานหนึ่งกันเองสิบคืออะไรคือกุศลกรรมบวชสิบอักุศลกรรมบสิบสิบเอ็ดคืออะไร เอากาทศนิบาทสิบสองอะไรทวทศ า, ากาลเรียกว่าธรรมจากกวัฒนนสูตรชิบสอง ดวาระสาการอันนี้สัด ส, สีอันละสามสามสี่สา ม, สา ม, สามเป็นสิบสองสิบสามคืออะไรแต่ระสะท่าดงสิบสามจะมีมากก็าตามก็ย่นลงมาหาหาลักหน่วยสีนจะมีมากเท่าไรก็าตามย้นลงมาหาเอกสีน สมาธิจะมีมากเท่าไรก็ตามก็ย้อนลงมาหาเอกะสมาธิปัญญาจะมีมากกับเพียงใดก็ตามก็ย้อนลงมาหาเอกปัญญาในปัจจุบันไตรสิขาไตรสิขาของพระโสดาบันไตรสิขาสกทาคามีไตรสิขาพระอนาคามีไตรสิขาพระอรหัน์ ทหารปฏิบัติไตรสิขาครบแล้วบริบูรณ์แล้วจบกิจของไตรสิขาจบกิตของพุทธศาสนาด้วยไตรสิขาของพระโสดาบันด้านศีลไม่ใช้ด้อย่างร่วงแล้วเมื่อศีลห้าด้านสมาธิ ไม่ใช่ได้จะทำจิตตั้งมั่นเพื่อหาเรี่ยวหาผาหาบัรหาเบือด้านปัญญาให้ทำรักษาศีลธรรมาเพื่อพนทุกในวัฏสงสารเท่านั้นนั่นข้อวัดของสุวิป น, นูขอวัดของอุชุก็ละเอียดไปกว่านั้นแต่ว่าอยู่ในชั้นเดียวกันสุวิทยโน แปลว่าพระโสนาปภิมัติโสพระโสดาปฏิพนอุชุปฏิป น, นุคือพระสักคาคารมัติสักคาคาริพนุจะเป็นคู่ได้สีค่คู่เรียงองเป็นแปดยายะปฏิป น, นุหมายถึงอรหัตตมัติหมายถึงสักคาคาณาคายิมัติณาคายิพสามีจิตหมายถึง อรหัตม ent, form, ตมัคอรหัตผลสามีจิปฏิปันโนนับเป็นคู่ได้ส e yes. ี่คู่โสดาปฏิมัคเป็นคู่ที่หนึ่งสัคธาคายมัคโสดาปติมัคโสดาปฏิผลเป็นคู่ที่หนึ่งสัคธาคายมัคสักทาคายผลเป็นคู่ที่สองอนาคายมัคอนาคายผลเป็นคู่ที่สมอรหัตตมัคอรหัตผลเป็นคู่ที่สี่นับเรียงองค์เป็นแปด นโซดาปฏิมรักสองโสดาปติผลสามจักระาคายมรักสีก่กราคายผลห้าอนาคายมรักหกอนาคายผลเจ็ดอะรหัตมรักแปดอะรหัตตมรักผลอัฐะโพริสะภุกราถ่ายยังตัวเป็นบุคคลเป็นแปดแต่ละบุคคลแต่ละคู่และคู่ก็มีตั้งร้านนับมปไว้เสียแล้ว เอสาวกวาโตสร้าอาสรังโกนี่เนอะสาวาของพวกมีมาพระภาเจ้าอาหูเนโยปาวหูเนโยทักกอเนโยอัญชริกรณิโย อ, อนุตรังปุญญกิจตังโลปัสสาติเป็นผู้ควรกราบเป็นผู้ควรไหวเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของทำบุญเป็นผู้กราบผู้ไหวผู้ไหวไม่ต้องกระดาษช่อพวกเรานี่ นับแต่สุปฏิปนูเป็นต้นไปสุปฏิปนูไม่ถือศาสนดาอื่นไม่ใช่ได้อยากลงละเมิดศีนห้าไม่ใช่ได้อยากกระท่องเที่ยวในวะะัฏสงสารนานอย่างนานก็ไม่เกืนเจ็ดชาติอย่างกลางสามชาติอย่างเร็วที่สุดเกิดอีกชาติเดียวก็ไปเลย มารดาของพระบรมาศาตนาเกิดอีกค่าเดียวก็ไปเลยพระมารดาของพระบรมาศาตนาพระเป็นพระโสดาบันเอกพิชีจะไปเป็นมารดาของพระศิยะเมตไตรแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานพ่อของพระศิยะเมตไตรยนว่ยพระโสดาบันพระเนีนี้เนียว่าเอากพิชีเกิดอีกครั้งเดียวนับแต่ศาสนาพระโคดมเข้าสู่พระนิพพานมานี้ ยังไม่พอสี่เดือนในชั้นดุสิตกระมังปฏิบัติเพื่อคนทุกปัญหาไม่มากทำไมจึงไม่มากเพราะเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่เม่อเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่ความทะยุทยานในวัฏสงสาร ก็เบาอยู่ในตัวเพราะเห็นทุกข์ต็มทนในวตสาสงสารนี่เมื่อเห็นทุกข์แล้วสมุทยความทเยอทยานในวตสาสงสารก็เบาลงมักก็เจริญไปในตัวนิรธก็ทำให้แจ้งไปในตัว พิจารณาทุกอยู่ไม่มีกางวันลางคืนก็ดีพิจารณาอนิจจังอยู่ไม่มีกลางวันงคืนก็ดีพิจารณาอนัตตาอยู่ไม่มีกางวันลางคืนก็ดีหรือพิจารณาไตรักพรอมกันในคณะเดียวอยู่ไม่มีกางวันลางคืนก็ดีลมหายใจเข้าข้างหนึ่งเห็นพร้อมทั้งใจรักด้วยเไม่ต้องการมีทั้งเกิดขึ้นแปรปวนและแต่สลายมีทั้งทุกสัมพยุตอยู่ด้วยมีทั้งไม่ใช่ตัวตนเราเขาสัพ์บุคคลสัมพยุตกันอยู่ด้วย เป็นเชือกสามเกลียวเหนียวร่างพันกันอยู่เมื่อเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วความทะเยอทะยานในโลกทางปวงก็ห้ามเบีกดลงเมื่อความทะเยอทะยานห้ามเบียดลงทุกทั้งหลายก็ห้ามเบียดลงอีกเหมือนกันสมุทัยก็เบาไปในตัวมักก็เจริญไปในตัว นิโรธก็ทําให้แจ้งไปในตัวไม่ใช่ว่าจเจริญทุกแลกว้วก็เจริญสมุทัยแลว้วก็เจริญมรรคแลว้วก็เจริญ น, นิโรธอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเรียงเวบอันนั้นไม่ถูกพุโทโธความเหมือนกันพุโทโธอยู่ที่ใดธรรมโมกระทรงอยู่ที่นั้นสังโฆก็ปฏิบัติที่นั้นพุโทโธอยู่ที่ดวงใจพุโทโธแปลผู้ละบาปบปําเพ็ญบุญแปลว่าผู้รู้บาปบาเพ็ญบุญ ธรรมโมสงไว้ซึ่งผู้รู้บาปบำเพ็ญบุญสังโฆแปรวารูปปฏิบัติรักบาปบำเพ็ญบุญดกลงพุทโธธโรรมโสังโกก็อยู่ที่แห่งเดียวกันคือใจของเราในปัจจุบันที่สมมุติว่าเราเรานี่เองศีลตัดศีลลงในปัจจุบัน สมาธิตั้งมั่นลงในปัจจุบันปัญญารอบรู้ลงในปัจจุบันส่วนจะแยกคายเป็นขั้นเป็นตอนไปศินสมาธิปัญญาไตรสิกขาก็ว่าไตรสิกขาพระโสดาบันไตรสิกขาสกทาคามยไตรสิกขาอนาคาเมยไตรสิกขาภารหันจะเอามาเทียบกันไม่ได้เพราะยิ่งหย่อนกว่ากันตามท่านวั น, นะของธรรมะ ัวัตจจบันของพระโสดาจจบันปัจบรรสัพพทาคามีปัจตบันอนาคามีปัจต บ, บันพระราหันวัตบรรพระพเจกปัจตบันวัตสมาสัพพุทธเจ้าจะเอามาเทียบกันไม่ได้เพราะมีคุณค่าต่างกันและแยกคายกว่ากันอีกต่างคนก็ตาอ้าววัตบันแต่ว่ามียิ่งยอนกว่ากันดังที่ว่ามาแล้วนี่เองปัจจุบันนันจะโยธรรมัง ผู้ใดเห็นทำเในปัจจุบันผู้นั้นไม่งอนแง่งคลอนแคลนเลยแล้วเทวดาบันก็ไม่งอนแง่งคลอนแคลนในชั้นของท่านชักธาคารมีอนาคตมีอรหันต์นก็เหมือนกั น, กนทุกสิ่งทุกอย่างมันเปิดเผย อ, อยู่แล้วแกก็แก่อย่างเปิดเผย เก็บก็เก็บอย่างเปิดเผยเกิดก็เกิดอย่างเปิดเผยเป็นทุกอย่างเปิดเผยเอาปฏิสนธิเข้าในคันพมานดาแล้วก็ตั้งการละขึ้นตลอดถึงปัญจะ สาขาเหมือนจิงเหลีนตลอดใหญ่โตมรฐานมาเป็นลาดับก็เก่มาเป็นลำดับก็เจ็บมาเป็นลำดับก็ตายจากเช้าสายบ่ายเที่ยงมาเป็นลำดับแต่อยู่ในคันพอออกมาก็กํามือร้องไห้ทีนี้เวลาไปเวลาตายก็แบ่มือเลยไม่เอาอะไรไปด้วย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 ความลับไม่มีในโลกไม่มีความลับเลยในโลกเราโลภเราโกรธเราหลงเราก็รู้จักอยู่เราพยายามบรรเทาเราก็อยู่จักอยู่เราบรรเทาได้ขนาดไหนเราก็รู้จักอยู่เราไม่บรรเทาขนาดไหนเราก็รู้จักอยู่จัดเป็นสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกในทางพระพุทธศาสนา ถือเอาพระโสดาบันเป็นเกณฑ์ถ้าถือเอาพุทธชนคนหนาเป็นเกณฑ์ก็ฟั่นเฝือเช่นเขาไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเขาก็รู้ตัวเขาอยู่ก็เรียกว่าสันทิเทโกแต่ไม่ถือเอาเป็นเกณฑ์เพราะไม่ใช่พระโสดาบันมันฟั่นเฝือเกินไปสันทิเทโกพระโสดาบันเห็นธรรมะ เป็นเบื้องต้นของพมจันทร์ของพระพุทธศาสนาพระสกทาคารีก็อยู่ในชั้นเดียวกขาพระสวดาบันคล้ายๆคำยกอัชฌรสอบนักทำตรีเหมือนกันแต่พระสกทาคารีได้เทียบเอกพระสวดาบันสอบได้เทียบโทแต่ในอยู่ในชั้นเดียวกัน สกทาคารีส่วนอนาคามีละเอียดไปกว่านี้อกูพระโสดาบันกับสกทาคารีสอบได้นักทำตรีสมมุติสมมตุมมติเทียบนักทำตรีแต่พระโสดาสกทาคารีสอบได้ที่หนึ่งของพระโสดาบันเอกกัปพิกี สันสัตะสัตะปรมสัตะสัตปรมสอบได้เป็นชั้นที่สามพระสาบันเอกพิธีสอบได้ที่หนึ่งพะโสดวันโกลังโกระสอบได้ชั้นที่สองพระสดาบันสัตตะปรมะสัตะสัะ คัตุปรมาสอบได้เป็นขั้นที่สามแต่เป็นขั้นเดียวกันเหตุฉะนั้นพระโสดาบันเอกวิธีจึงเกิอดอีกขาติเดียวพระสักถาพระโสดาบันโกลังโกละเกิอดอีกสามชาติพระโสราวันศักตุปรมาเกิอดอีกเกีชาติ แต่ละกิเลสก็มีเพราวกว่ากันบ้างมีละเอียดกว่ากันบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับไปนรกพวกเนี่ยตายวันไหนก็ไม่มนุษย์ก็สวรรค์ถ้าเป็นมนุษย์ถ้าอยู่ในเทวโลกก็มาในลงมาง่ายก็มีอายุยืน จะอย่างไรก็ตามเริ่มใสในพระนานแห่งดีก็เป็นการแลกกันเพราะต้องผ่านโสดาสกธาอนณาคาอรหันสาวกสิ่งไหนที่ไม่ใช่ได้ล่วงละเมิด สิ่งนั้นมันก็ไม่ระวังยากท่านวัสดาบันไม่ใช่ได้อยากละเมิดศีลห้าไม่ใช่ได้อยากถือศาสตราอื่นไม่ใช่ดา ย, ยากจะถืออยู่ยงคงกับพันไม่ใช่ได้อยากล่วงอบายวุฒิไม่ใช่ได้อยากจะจองเวรท่านผู้ใดโกรธอยู่แต่ไม่จองเวร มึงเถอะไม่มีในท่านถ้าเคยทําผิดเข้ามาแต่ช้าโกรธก็ให้แลวกันไปซะข้าพเจ้าจะไม่ตอบแทนแต่ข้าพเจ้าโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับปูกจองเวรถ้าเขามาก่อใหม่ก็ให้แลวกันไปซะข้าพเจ้าจะไม่จอบตอบแทนท่านใดๆทั้งสิ้นแต่ข้าพเจ้าเสียใจอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับลงมือจองเวรเหตุฉะนั้นจึงไม่เสียดายอยากจะฆายุง ยุงมากัดก็ไม่ได้ค่าไม่ได้พื่ออย่างนี้ภาวนาก็ภาวนาเพื่อพนทุกข์ไม่ได้ภาวนาหาเรีย่ยขาผาเห็นเป็นทางชีบหายเห็นเป็นทางชีบหายตรงต้งสิ่งไหนที่เห็นว่าเป็นทางชีบหายตรงตรงแล้วมันก็คือสัมมาทิฏฐิมันเห็นชอบแล้ว มันก็คือดวงตาเห็นธรรมพอเห็นชอบแล้วคือธรรมัญญตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นผู้ผรู้จักผลรู้จักควาสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้เต็มภูมิแล้วนะเหตุฉะนั้นจึงไม่หลงพลทาง ไม่เสียดายอยากกระถือเรื่ดียามดีด้วยไม่เสียดายอยากกระถือศาสนาอื่นด้วยไม่เสียดายอยากจะค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เลี้ยงสัตที่ตัวข้าไปเป็นอาหาร ค่าขายมะม่วงฆ่าขายยาพิษการค่าขายอะไอย่างนี้พระสวดาบันไม่เสียดายอยากประกอบเลยเพราะได้ดวงตาเห็นธรรมักแล้วว่าสิ่งไหนเจริญสิ่งไหนไม่เจริญอะไรยมุทุกประเภทเป็นมนุษย์ริบัติเต็มภูมิทวเทว้นก็เป็นมนุษย์สมบัติที่เห็นชัดแล้ว ไม่เสียดายอยากลวงละเมิดเห็นโทษ ช, ชัดชัดชั้นหลุมฐานเพลิงไม่เสียดายอยากลงไปลุยชัน้นใดผู้เห็นภัยในชั้นพระโถดาบันก็เหมือนกันผู้เห็นคุณในชั้นพระโถวดาบันก็เหมือนกันเห็นคุณที่ไม่ลงไปลุยหลุมฐานเพลิงเห็นโทษในการที่ลงไปลุยหลุมฐานเพลิงเห็นคุณในการที่บ้วนนำลายทิ้ง เห็นโทษในการที่เอาน้ำลายคืนมาเองเหตุฉะนั้นจึงไม่ขบถตนเองจึงพยายามละสงสักทาคามาคามีานาคาเมระหลันเป็นลำดับไปถ้าเดินทางก็ไม่สงสัยว่าจะแวะซ้ายและขวาและถอยหลังจะเดินช้าหรือเร็วก็ไม่ถอยหลังไม่แวะซ้ายและขวาเสียแล้วสมมุติเป็นหันทางภายนออกเพื่อเข้าใจชัด การภาวนาไปเจอไปเจอทุกคนทุกเหตงเจอเจอนิมิตสารพัทวัดเวียงนิมิตเป็นเครื่องหมายเพียงรูปเป็นอารมณ์เรียกรูปนิมิตเพียงอารูปเป็นอารมณ์เรียกอรูปนิมิตนิมิตทั้งสองอย่างนี่ก็เกิดขึ้นแล้วแปลว่าได้แตกสลายนิมิตเทวบุเ ท, เทวราพระเอ็นพระโพมก็ตาม นิมิตเป็นแก้วมันีก็าตามหรือปรากฏอะไรก็าตามก็เออเนื่องอ า, ากาศก็ตามแต่หมดกําลังก็อถอนออกมานั่นคืออเนจังถ้าภาวนานีก็ต้องเห็นนรกสวรรค์สิ <c oughs> เขาเห็นอเนจังคณะกิดเดียวเขาก็เห็นรอบโลกแล้วเพราะเลือกเต็มไปด้วยอเนจังเขาเห็นทุกขณะกิดเดียวเขาก็เห็นรอบโลกแล้ว พระนรลกสวรรค์ก็จัดเข้าในโลกวัตถุนิยมทำขึ้นออกจากอะไรก็ทำขึ้นออกจากธาตุดินน้าไฟลมเราเี่เองแต่สลายลงไปเป็นน้าไฟลมเหมือนกันความเกิดขึ้นหาหนหว่างไม่ได้ความแปรปรวนก็หาระาหว่างไม่ได้ ความดับไปก็หาสว่างไม่ได้เธอก็จงรู้ตามเป็จริงหาสว่างไม่ได้เธอพระบะรมศาสีราเหมือนชอมกับลมหายใจเข้าออกเนอปพระบะรมสารีราพอเราบรรญัติว่าพอเรารู้จักว่าลมมากระทบมันก็เป็นอดีตไปแล้วพอเราบรรญัติว่าต้นลมมันก็กลายมาเป็นกลางลมพอเราบรรญัติว่ากลางลมมันก็กลายมาเป็นท้ายลม คำพูดแต่และ ว, วลว่ า, าก็เหมือนกันพูดแล้วก็ล่วงไปพูดแล้วก็ล่วงไปพูดแล้วก็ล่วงไปพูดใหม่อีกก็ล่วงไปอีกความนึกคิดก็เหมือนกันนั่นคือตัวอนิจจังอันละเอียดนะเพราะฉะนั้นธรรมชา้นสูงจึงยืนยันว่าตายเป็นแต่สักว่ากายเวสนาเป็นแสักว่าเวทนา ใจเป็นแต่สักวายใจทำเป็นแต่สักวายทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็แปปวนแล้แต ก, กสลายไปเราหลงอยู่นี่มีอยู่สีประเภทหลงของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงคือหนังหุ้มอยู่หลงของเป็นทุกข์ว่าเป็นของสุขคือหนังหุ้มอยู่ หลงของไม่ใช่ตัวตนมาเป็นของตัว ต, วตนคือหนังหุ่มอยู่หลงว่าของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามคือหนังหุ่มอยู่ถ้าเราไม่หลงสี่อย่างนี้แล้วเราก็ข้ามทะเลหลงในชั้นลูกขันไปแล้ว